เขาเรียกว่าถ้าเป็นเข้มขัดนี่ก็สั้นเข้มขัดมันสั้นขัดไม่ถึงมันเลื่อนไปใชไหมไม่ทันเขิมขาดไม่ถึงนะว่าการจางวอจะมาเยี่ยมเราแล้วก็ มไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดว่าท่านจะมาในช่วงเวลานี้คิดว่าเออปีหน้ามันจะเป็นปีหน้าพร้อมกันดีแค่ไหนเป็นอะไรเนี่ยแต่ในใจอะคือคิดถึงท่านเพราะว่าเรามาสถานที่บริเวณตรงนี้ตั้งแต่เรายังไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เราจะมาซื้อ เพราะว่าหน้านั้นเรามาเขาทำมาธุสัญจรที่นี่และก็เคยนักทัานพ่มาที่นและต่อมาปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มาที่นี่ <c oughs> มาที่ป่าด้านหลังก็ได้มาจัดภาวนาที่นั่นฝังเศพฝังท่านกันที่นั่น ท่านได้มาพบมาเจอสถานที่ตรงนี้ในขณะที่บรรยากาศเราก็เที่ยวหาวัฒนาวายตอนนั้น <c oughs> ก็อยากให้ท่านได้มาเพราะว่าเราได้ที่แล้วมีที่มีทางพอที่จะให้ท่านได้มาใช้สอยให้ท่านได้มาโปรดเจ้าโจมที่นี่แล้วก็ได้ผู้สุ่อกับท่านในตอนที่ฉันพระเจาหารกัน ได้ในโมโนท่านว่าถ้าท่านมาทีนั้นทีน้าหรือว่าทีไหนไหนก็ขอให้รับของเราไในรับใช้ท่านแต่รับใช้ท่านในมโนท่านได้ม า, มาใช้สอยประทางที่ตรงนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมเพื่อเผยแผ่เพื่อทํางานระศาสนาเพื่อให้งานศาสนาเนี้ยขาจาราจายออกไปสู่ชาวโลกให้ได้ ม, มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื่องจากว่าในเมืองไทยเราพระที่ทางานเผยแผ่ต้องบอกว่าไม่ได้เชิญรับแต่เดียวพระที่ทำงานเชิงรับมีเยอะแล้วในเมืองไทยแต่พระที่ทำงานเชิงรุกมีน้อยโดยเฉพาะรุกทุกสื่ คนแนวองท่านเนี่ยรบทุกสื่อต้องบอกว่าทุกทุกกระเบียดนิ้วของสื่อที่ออกในเชิงธรรมะก็มีท่านในการที่จะทำเสนอตั้งแต่ธรรมะจิตี่ธรรมะก่อนนอนธรรมะฝันอะไรต่างๆมากแล้วก็เป็นบทละครอีกในผขายเรื่องของละครที่นาบทธรรมะแปลงเข้าไปสู่ บทละครแต่ทราบาท่านเขียนบทเขียนละครอีกหลายเรื่อง่นะตอนนี้แอบที่จริงท่านเขียนบทละครคล้ายๆกับชีวิตของท่านยังไงไม่รู้นะแอบแนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพระลมใบนี้โยมที่เมืองไทยถามไม่ได้ที่ทำงานทั้งเชิงรบและเชิงรับ จะบอว่ า, บารบไปทุกสื่อสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อนังสือสื่อทีวีนยมถ้าเราจะไปให้ไปจ้างเขาออกเนี่ยนะแค่นาทีเดียวนี่ก็หลายแสนนะช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าโฆษณาแค่สามสิบวินิหนี่ยอนะ เ, นะเขาคิดเป็น จะมาใช่ไหแต่เขาหรับทึบ่งหมดไม่ต้องกระจ้ามององสื่อก็มีสปอนเซอร์บอกว่าคุณต้องเอามาออกนะสปอนเซอร์ไปนรนดที่ช่องเลยว่าคุณต้องเอามาออกคุณต้องเอามาขึ้นฉันิฟ้องเพ่จะเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะฉะนั้นเป็นบุญและเป็นวาสนา ของพวกเราแม้ท่านไม่ได้มาอาจารย์เป็นทางการแต่ท่านก็ได้แวะแบบเรียนมาเยี่ยมเราได้ว่างด้วยรักและห่วงใยที่จะนำนันโยมจังหลายเข้าสู่วิธีทางแห่งธรรมที่นำเสนอโดยท่านอาจารย์ธรรมหาพุทธิชัยอัชระเมีิโดยท่านบอกว่าอัชระเมธี ในดั บ, บสต่อไปคนเดินพวกเราได้พวกเขาเื่อไนได้กับได้ครับพ ร, ร, ร้อมกันหนึ่งสองสามคราคราคราบัดนี้ได้เวลาผ่านเหมาะสม ขอคราราฒนานนทุากคนท่านอาจารย์มหาวุฒิชยัยวชิระวุวชิระเองทีได้พบปักับญาติโยมชาวในแะเลในโอกาสนี้ก็พัฒนาครับขอท่านอาจารย์เจ้าว่าที่เคารพอย่างสูงอาเทว า, ร, ท ร, าทรุเทาุกคนญาติโยมทุกคน เอาละเอาเลยหรอ <c oughs> ความจริงเรรมภาพเพิ่งมาเทศไปเมื่อปีที่แล้วแล้วมาจะหลักสูตรเจ ร, ริญนิพพสนกับมหาแล้วก็ตั้งใจลว่าจะเรีนวักหนึ่งปีอย่างน้อยให้โยมคิดถึงก่อน <c oughs> <c oughs> มาทุกปีเราไมาคิดถึงแล้ะ <c oughs> ก็ตั้งใจจะเปียนว่กประจวบเหมาะปีนี้หลานพระอาจารย์ซึ่งเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ สำเร็จการศึกษาธรรมภาพก็เลยยินมารับปัญญาพอมารับปัญญาที่ที่แล้วทางเกดก็มมนิมนต์ธรรมท่านจัดคอสวีปศาสนาจักรพรรดก็เลยเป็นเหตุให้มีงานงอกเยนเกดงอกเปนหนึ่งงานเพิ่มจัดเต็มไปแล้วก็บินมาถึงเมื่อวานติดคอสสวนาก็บินมาที่นี่มาที่เนซาแลนลูกศิษยลงหาซา ก็เลยไปชวนฝรั่งบอกว่าพระอาจารย์มาทั้งทีมาสดทีิพัสนาหไหมก็มีฝรั่งจองมาทั้งที่นี่ทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีทั้งสวิตเซอร์แลนด์นะเวลาดีเท่าที่ทราบประมาณเจ็ดสิบคนก็ไปแก่งให้มีงานงอกที่เนแชนแนลในวันมะรืนวันที่สามสี่ห้าสามวันก็จะเป็นหลักสูตรภาวนาสำหรับ ชาต่ชาติและแน่นอนถ้าม า, านเนธอรันเบอร์มการท่านอาจารย์พระมหาจำเริญก็ถือว่าถือว่าไม่งามอย่างยิ่งเลยเพราะว่าธรรมภาพ ม, มาที่นี้เคลีร์แล้วท่านเป็นผู้ไิ้หมดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่แห่งนี้เนี่ยท่านเป็นผู้พามาและนั้นก็เล่าความฝันขอ ง, งท่านให้ฟังว่าหาหอตรงนี้นะถ้าทําเป็นวัดนะ จะสมบูรณแบบเหลือเกินเพราะว่ามีห้องประชุมมีห้องทํางานมีนห้องพักที่สําคัญที่สุดอยู่ในส่วนสาธารณะที่ว่ดพระธาตุที่ตรงนี้เป็นวักแถมสวนเลยใช่ไหมมีที่ไหนอะซื้อซื้ อ, อวัดไม่ถึงไร้เพิ่งแถมสวนอีกร้อยไร่อากาศอีกใช่ไหมต้นไม้อีกโอ้ยดินน้าป้าป่าเขาพร้อมสับอ่ตรงนี้ ฉันถ้ามาครั้งนี้ก็ต้องไปหาท่านตั้งใจจะไปหาท่านที่วัดเก่าลูกซึ้งบอกว่าท่านไม่อยู่ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> เพราะว่าท่านมีรับใหม่แล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็ดีก็ <laughs> เป็นครั้งแรกที่ได้มาใช้อาคารหลงนี้สมกับที่ท่านตั้งเจตนาเราทำไว้จริงๆ <Yeah. S 1> คนเราก็มีความฝันแล้วอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเนาะ <Yeah. S 1> นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของของพลังของความฝันพ <Yeah. S 1> ลังของจินตนาการเพราะตอนนี้ท่านจินตนาการนั้น มนันยังไงก็แทบเป็นไปไม่ได้ราคามันสูงมากแต่ผ่านไปไม่กี่ปีในะที่สุดฝันของท่านเป็นจริงแต่ท่านไม่ได้ฝันเพื่อทนะ่านนะท่านฝันเพื่อพวกเราเนี่ยเพราะว่าต้องการสถานที่ไว้สอนทั้งชาวไทยและชาวเทศแสดงเรีย น, ร, าาย ร, นรู้ธรรมะหรือศิลปะใการดํารงชีวิตบัด น, นี้ความฝันของท่านนั้นเป็นจริงแ ต, แต่มาภาพมาบัดนี้ก็ตั้งใจจะแสะดงความจีิงใกับท่านเนี่ย นี่ก็เป็นที่มาที่ไปเพราะทุกครั้งที่มาเนี่ยเราก็ไปจัดการข้างนอกใช่ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้มาถึงเราจะมาไปข้างนอกก่อนข้างในนะนี่ก็สำคัญไปเดินดูปที่แล้วพายโยมนอนสมาธิหลับปุ๊บคนก็หลับบางคนก็ไม่หลับวัดควร เดือนปีนี้เขาจับที่นีหลับสบายนะเอาอีกสักรอบหมเลวน ะ, น, ะ <c oughs> นี่ก็เป็นความเป็นมาเป็นไปขอเล่าไว้นะเพราะว่ามีความผูกพันกันทั้งกับราและกับโยฉะนั้นมาเนตะแลนเมื่อไหรยังไงก็ตามพระข้ามาฝั่งนี้ก็ต้องมากราบท่านเป็นความผูกพัน ท, งทางธรรมก็เหมือนที่พระพุทธองค์กลัาไว้วิสาสะปรมายาติความสนลิสนมเป็นยอดแห่งญาณ มีเชื้อชาติมีเช่เชื้อแต่ถ้ามีความเอื่อเฟือก็เป็นเนื้ออาขมาเห็นไหมคนเราถึงไม่ใจยติมีหนองแต่ถ้าเราเอื้อเฟือกันเรามีใจให้กันเราก็ช่วยเหลือเพื่อปูนกันบางทีก็เป็นยิ่งกว่านัา่นเนี่ยก็ปเป็นเหตุให้ย่างไงก็ต้องมากราบทานถ้าข้ามาทางนี้จากนั้นอ <c oughs> ก่อนจะกลับก็เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนเดิม ญาติโ ย, ยมทางฝรั่งเศสท ร, สราบว่ามาทางนี้นม่มันข้ามห้วยมันนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เสร็จที่ใดแล้วก็จะข้ามห้วยไปที่ปารีสณที่ปารีสก็จะหลักสูตรภาวนาให้พระอาจารย์ไปนํามสมาธิอีกสองแห่งนณที่ในปารีสแห่งหนึ่งแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็น่าจะเป็นเบลีสหรือพอวองออกไปข้างนอกข้างนอกอาจารย์ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกัน ก็เป็นเห่นให้คลิป เ, เล็กๆของพระอาจารย์ตั้งใจไว้ว่ามารับประดาเสร็จก็บินกับเลยงอกออกมาเดือนครึ่ง <c oughs> <c oughs> อย่างไรก็ตามที่ได้มาก็ดีที่ได้ไปก็ดีทั้งหมดนี้ก็มีจุดเชื่อมยอย่างหนึ่งคือธรรมะ <c oughs> ที่มาเลยเพราะว่าเป็นงานธรรมะถ้าเราไปทำหรือเขาก็คงไม่ได้มนุ์ใช่ไหม เพราะว่าเราทํางานทำอะทํางานให้กับพระพุทธเจ้าคนก็จึงนิหมดเราไปทุกหัวทุกหเจ้าโยหถามพระอาจารย์ว่าทางานอะไรพระอาจารย์บอกว่าทุกวันเป็นกายประชาสัมพันธ์ให้พระพุทธเจ้าอยู่พุทธบริษัทไม่จํากัดมหาชนเพราะว่าพระองค์นี้ไม่จํา ก, กัดนะดังนั้นพระองค์นี้ไม่จำ ก, กัดวันที่แล้วมาจารลักษณะภาวนาที่ปาเรีก็มีชาวปาเรี ชาวคริสเตียนชาวสลามมามาร่วมหลักสูตรภาวนากับพระอาจารย์แล้วพี่น้องต่างศาสนานก็มาถามว่าเอเมนอาจารย์พวกเราไม่ใช่ชาวพุทธถ้าเรื่องสมาธิจะได้หมดวันชาวพุทธไหมพระอาจารย์ก็บอกว่า <c oughs> เวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมนั้นน่ะองค์ไม่ได้ตัง้นนนงใจแสดงธรรมให้ชาวพุทธฟังองค์แสดงธรรมให้ชาวโลกฟังแต่เราคนไทยเนี่ยมักจะค่อยใจเด็ดว่าพุทธศา ส, สนาเป็นของชาว บางนีก็แค่บรมานิดหนึ่งของชาวไทยจะลืมไปเลยว่าธรรมะนี่ไนจริงนั้นมีความเป็นสากลธรรมะก็เหมือนอากาศที่เราหายใจเอานะี่ยชาวโลกหายใจใช้ออกซิเจ น, นเหมือนกันหมดใช่ไหมออกซิเจนมีเกี่ยชน์สำหรัทั้งโลกฉันได้ธรรมะก็ฉนันมีประโยชน์กับโคนทั้งโลกเหมือนกันทั้งหมดทัสิ้น แล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องและเดินครับประโยชน์เท่ากันหมืเอาเกลืออักมะนิยนโยนใส่ปากคนไทยก็ได้ฝรั่งเค็มไหมไปถามฝรั่งรั่งโอ้เวอร์ด้เค็มลองนะฝรั่งชิมแล้วเวค็มเค็มมกเห็นไหมรสชาติของเกลือมีความเป็นอย่างเดียวรสชาติของทรมีความเป็นอย่างเดียวและไม่ใช่ว่าพระอาจารย์เป็นปริเมแย่ไว้ก่อนนะ พุทโธขั้นเดียทีันมาเองถ้าบอกว่าทะเลเนะี่ยมีรถเดียวคือรถแคมฉันหนึ่งธรรมะที่เราจะหาข้อกสัตรู้และนํา ม, มาสอนก็มีรถเดียวคือวิมุติรถฉันั้นวิมุติรถคือรถอะไรรถแห่งสารภาพถ้ารู้ถูกต้องคือเป็นสมมาทิฏฐิและปฏิบัติถูกต้องคือมีสัมมาปฏิบัติเราพบกันที่ปลายทางทุกคนคือหลุดมันจากกิเลสได้หมดดังนั้น คุณสมบัติในการศึกษาธรรมะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธขอแค่เป็นมนุษย์ก็ใช้ได้แล้วที่นั่อยู่นี่เป็นปนอ่าถ้าเป็นก็บางคนแม้แต่ อ, อาจจำไม่แม่นจริงชเปรีอะไรนะงงจริงเรารเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเรามีคุณสมบัติครบถ้กก ว, าราาวประการที่จะเรียนธรรมะการเรียนจบวาราจากนี้พระอาจารย์จะมีหลักสูตรภาวนาสําหรับ ชาวต่างชาติตั้งเจ็ดสิบคนดังนั้นก่อนที่จะไปสอนชาวต่างชาติอยากจะสอนพวกเราก่อนดีไหมดีค่นะหลักสูตรที่จะไปสอนก็ไม่เีอะไรามากะเป็นปาร์ติมาในปัจจุบันขณะหลักสูตรสอนให้เตือนรู้อยู่กับปัจจุบันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนี้สําคัญมากคำว่าปัจจุบันไได้หมายถึงวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ แต่ปัจจุบันหมายถึงขณะจิตนี้พระพองค์ทรงสอนให้เราเป็นรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะแเวลาที่เราสวดมนจะมีทสูน์อยู่ระสน์หนึ่งที่ว่าด้วยปฏิหารข อ, ของปัจจุบันขณะนั่นก็คือพระแทวกรัตตสุทสัศน์นี้จะบอกว่าอย่าหวนคำเร็วถึงความหลังอย่าเฝ้าระวังแต่อนาคตควรจอดจดอยู่กับปัจจุบัน ใครทําได้เชนั้นผิวพรรณจะฟ่องใสเครดลับหน้าใสอยู่ตรงนหนเห็นไหมถ้าไมอยู่กับปัจจุบันมีความจริจึงฟ่องใสและมีความสดชื่นรุ่นเย็นในชีวิตใครทำได้พระพุทธองค์กล่าวว่าต่อให้ราตรีเดียวก็เป็นราตรีที่เลอค่าพระสูตรนี้เรียกว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหนึ่งราตรีที่มีค่าพระแกตรัตสูตรหมายบอกว่าใครก็ตามมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นนะ ชีวิตของคนคนนั้นจะมีคุณค่ามากเพราะจากเอาไว้เลยว่าคนคนหนึ่งเกิดมาอายุร้อยปีแต่ไม่เคยเรียนรู้แต่ไม่เคยเรียนรู้เพื่อการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่เคยเห็นการเกิดการดับของจิตต่อให้อยู่ไปร้อยปีก็สู้คนที่เกิดมาหนึ่งวันแล้วอยู่กับปัจจุบันเป็นเห็นการเกิดการดับของจิตไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราประเมินสุณค่าของปัจจุบันขณะเอาไว้สูงมากมากทำไมมีประเมินอาไว้สูงเพราะว่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะหลุดจากความคิดที่เป็นอดีตและเป็นอนาคตคนส่วนมากในโลกนี้มีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่ยังมีชีวามีชีวิตก็หมายความว่ายังไม่ตายนี่คือมีชีวิตแต่ไม่มีชีวะก็หมายความว่าไม่มีควา ม, วา ม, ม, วามสดชื่นเรื่องเย็น มีชีวิตยอยู่ก็จริงนะแต่ไม่ก็ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงชอบหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดและในโลกของความคิดก็มีเพียงสองอย่างเท่านั้นที่ให้เราคิดถ้าไม่คิดถึงเรื่องเด็ก็คิดถึงอน า, าคตคิดจต่แค่นี้แหละถ้าคิดถึงเรื่อ ง, งดีๆก็ยิยม้มบางทียิ้มคนเดียวคิดถึงเรื่องไม่ดีก็เศร้า บางคนเศร้าบางม่การ้องให้อนนอมกมาบางคนเศร้ามากๆแล้วไม่อาจถอนใจออก ม, มาจากโลกของความคิดป่วยโรคซึมเศร้าไปสร้างโลกสมองจิตขึ้นมาอีใบแล้วเศร้าต้องไปหาหมอกินยาเป็นกำกับรักษายังไงก็ไม่หายนี่อันตรายของการเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะเป็นที่องมาของโรคจิตประสาท ฉะนั้นพระพุทธองค์ึงบว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขนาให้เป็นทุกท่านทุกคนอย่างนั้นอยู่ตรง น, น, นี้ณขนะนี้เชื่อไหมว่าขนาดที่พระอาจารยก์กำลังเทศบางคนก็ถูกออกไปข้างนอกใช่ไหมโอฟังอยู่นะแต่จิตไปที่อนะไอ่ะเนี่ยเราคิดอยู่แบบนั้นแหละคนส่วนใหญ่เราคิดอยู่ยยยแต่ไม่รู้ว่าที่ จึงเผอกระโดดขึ้นรถไฟสายความคิดแล้วก็ ต, ตามมันไปมันพารถเล้วเข้ารถก้องเข้าถ้บไปไหนตัวไห น, นก็ป้าไม่หลยคุ้ันอ <c oughs> ถ้าฝู้ฝันมันก็เริ่มฟรุงฟร <c oughs> ินะแล้วบางคนเหนื่อยมากอยู่กับบ้านเฉยๆทั้งเหนื่อยเมื่อ อิดหนาอาัยดูไม่มีสนาราสีพระจีนเพิ่งจออยู่ท้งานบางคนอยู่ในโลกความคิดมากกพอไม่มีคนคุยลูกขึ้นมาคุยคนเดียวไปเจอไหมคนไปหน้ากระจกยืนคุยที่หน้ากระจกเนี่ยโรคที่เป็นกันเยอะมากที่สุดในโลกในเวลานี้อันดับต้นๆเลยนะหนึ่งก็คือโรคเครียดสองมะเร็ง มาแรงโดยเฉพาะในสหรัอเมริกาเศรษฐีคนเป็นมาแรงเงยอรมาก ส, ส, สารัฐก็นี่นะโรคตามนะโรคสินเชื่อถามว่าทั้งที่เรามีเทคโนโลยีที่แสนจะทันสมัยทําไมมนุษย์หว่วยกันดึกเลยก็เพราะว่าเราหัวแต่หงงาเงินหาทองแต่ไม่ได้หาธรรมะมีเวทจริงสูญเสียสมบุติอาการสูญเสียสมบัติแสดองออกเป็นสิ่งที่เรียกกันว่างานได้ผลแต่คนไม่เป็นสุข มีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสงคามจะใช้หมดใช่หมกับอีกเช่นหนึ่งไม่มีเงินมหาศาลแต่มีสงขามจะใช้หมดนี่เป็นอาการสได้ออกของฟาวาสุโต้งานสำเร็จแต่ชีวิตไม่ลื่นโลมคือทำจับทำงานอะไรก็ได้หมดแต่สุขภาพไม่ดีแล้วเป็นอย่างนี้กันเยอะมากดังนั้นพระพุทธองค์จึงบอกเราว่า เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันข่ะให้แต่เพราะถ้าอยู่ไม่เป็นเราจะไปอยู่ในโลกของความคิดเวลากินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวแต่กินความคิดดื่มน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้าแต่ดื่มความคิด เป็นไหมเมื่อกีเพิ่งทานข้าวใช่ไหมถ้าทานไปทานไปแล้วคิดถึงเรื่องไหนนะเรากินเรื่องนั้นแหละก็โยนต้องมาถึงแล้วโยนถอดรองเท้าแล้วจนอกนั่งทานข้าวคิดถึงรองเท้าแสดว่าเชี่ยวเราเลาก็ไปทั้งคู่บางคนคิดถึงคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์จะไปในเครื่องเลยนี่แหละ บางทีมาที่นี่เรากิดถึงสามีจะเปรับโทษหรือเปล่าเนาะคิดถึงสามีก็เกินสามีก็ปเป็นฉะนั้นเราเรากินน้ำเราดื่มน้ำแต่ไม่ได้ดื่ม น, น้ำเราเดื่มความเครียดเรากินข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวเรากินความเครีรยดเห็นไหมเอ้าน้อยเหลือเกินนะคนในโลกนี้ที่จะมีชีวิตอยู่อยา่างเติมรู้อยู่กับปัจจุบันครับจากนั้นเราจริตใจไม่ได้ความผิดพลาดและ พรุงแต่งใหตัวเองแต่มีแต่ความทุกจะเล่ามาอยากให้ฟังบางคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะไม่เป็นนะมีพระหนึ่งท่านเข้ามาบวชสามเดือนเป็นงพรรษาพอใกล้ว่าออกพรรษาท่านก็จินตนาการท่านยิ้มมีความสุขขณะพรรษาขณะที่กําลังจินตนาการหลุดเข้าไปในเรื่องของความคิดนั้นน่ะท่านยืนถวายงานพระให้หลวงลุงเป็นพระไปตามนตะโกน เยิรหนึ่งหลังมือก็วนวดก้นคอนวดก้นคอข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็พักหลกักตาหลงๆก็หลกักตาไปใหม่คิดออกัรรษาแล้วเราต้องศึก <c oughs> หมดแล้วก็ธรมดาเราต้องเบีย <c oughs> ดศึกแล้วเราก็จะแต่งงานก็พักไป <c oughs> แต่งงแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วก็ทะลุร้องขึ้นมาก็ต้องช่วยกันกรอบกับเมียเอ๊ะแต่บางวันมียอาจจะไม่อยู่่ะถ้าเมียไม่อยู่เราก็้องกรอบเองจิตมันก็แทรกขึ้นมาเป็นระยะเคยเป็นหมเคยเคยเป็นไหมเราคิดเองหาเองกับเองเคยเป็นไหมเคยคะเป็นประจำใช่ไหมแอบจะเด็กกับพระร่วงอีนะ ท่นก็ท่านก็ยึเองหลังเองไปยแล้วหลงก็หลับเย็นสบาแต่พระใหม่ก็หลังอยู่ในหัวมาระบบมันร้องจะทำอะไต้องอบสิจิตหนึ่งมันสวนขึ Node ้นมาถ้าปลอบแล้วลูกไม่หยุดจิตหนึ่งก็สวนขึ้นมาว่าคร้ไมหยุดครังมันคือเราตีมาพอถึงโจมตีก็เลยทั่วก็กหอกหลงๆเต็มเต็รแล้วหลสเกเฮ้ย <C oughs> ตีหลงกก็ไม่เร <c oughs> าก็หลงลูกครับเราจะตีอะไรเต็มเต็มเลยนะหลงลูกครับไปได้ตีครับไม่ได้ตีห ล, กลกักฐานตโน้ตไม่ได้ตีหลงูกครับงั้นจะตีอะไรตีลู ก, ก, ล ก, กลเห็นไหมยรังตัวอยู่นี่ ใ, ใจอยู่ไหนใจหลุดเข้าไปในโลกของความคิดเนี่คนส่วนใหญ่เดินทางอยู่ในความคิดเดินอยู่ด้วยทาง รูมแต่เดินไปคิดไปอันนี้ไม่ได้ว่าเดินด้วยเท้าเดินด้วยหัวคนโบราณสิ่งนี้คำนึงคำนึงว่าเอาหัวเดินต่างดินเคยได้ยินไหมวกที่เราเดินด้วยเท้าหรือเดินด้วยหัวหัวไหมถ้าเดินไปคิดไปเนี่ยเดินด้วยหัวเดินด้วยเท้าต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจุกจิกฉะนั้นเรา น้อยคนนัท so um ี่จะอยู่กับปัจจุบันะส่วนมากแปลรับรู้อะไรมาแล้วก็ปรุงแต่งคิดหน่อคิดเนึ่งบางทีไม่ได้คิดคนเดียวนะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่เมืองไทยบ้านเพื่อนฝาดชีวิตเพื่อนกำลังนี้ดีเราโดนไปพูดอะไรสองํามคำแขงเลยเห็นไหมโรคเหลือเิืเจ้าโรคเหลือเชื่อจะาำให้เราเบืวอชั แล้วพอเราไม่รู้รท่าทันความทุกข์ของเราเราก็ไปหาหมอกินยาเป็นกำกัก็ไม่หายนี่เป็นโรคที่อันตรายมากทิ้งไว้นานๆเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคจิตประสาดด้านกันบางคนก็ปรุงให้ตัวเองเครียบางคนปรุงแล้วดูถูกตัวเองปรุงแล้วจาปเช่งตัวเองบางคนมีวิธีคิดจงลบปรุงให้เด่นเจอแต่เรื่องไม่เด่ถ้าคิดลบชีวิตก็ลบ มันยอดโดนคนมากราบมามาาอโอ้ไม่เจอนานเป็นยังไงเป็นเศรษฐีละมั่งพระอุสาวยลกไม่ไิเป็นเรานแค่นี้นันคิด้เยยไม่เป็ น, น, <c ười> น, ปนถ้ากอัเชิญสิ่งดีๆก็สูชีวิตไปเอาไหายไปนานเป็นเศรษฐีละมั่งโอ้อยยาบนะจาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ เห็นไยที่เราทำอะไรแล้วไม่แสดงเพาะวิธีคิดของเรามันไม่เปิดรับสิ่งดีๆมี่ควรมาพูดแต่สิ่งดีๆให้ฟังไม่ฟั ง, ฟงคิดให้เร็งลบวันหนึ่งที่บังนายในลบก็ต่มาถวายส่งตาร่พระอรหันส่งตามไก่แก้วรอรับระเคียนระเคียนเจ็ดโดมแล้วล ป, ร ป, รประนมวันเจ้านี้ไม่อร่อยเท่าไหร่นะคะเจ <laughs> ้าที่อร่อยวันนี้ก็ปิด เราคิดไนใจไม่อร่อยแล้วเอามานี่ก็ชอบปรุงให้เจองเจอโดยสิ่งไม่ดีแล้วส่งไม่ดบางคนมหาดมาร์คดาวันฉันแกวันนี้สามีไม่มาแล้วท่านมาเพื่อจะขออาจารย์จะให้จำอะไรไอ้คนนี้มันเหลือเกินเราคิดเลยเร็จแล้วเหลือเกินแล้วเป็นแต่เขาทำไมนี่มันเป็นที่ดีคิดของเราที่ปรุงให้เจองทุก ถ้าเราชอบปรุงให้เป็นทุกข์เกยดธรรมชาติทํทมม า, าทไมเราไม่ปรุงให้เป็นสิ่งเพราะเราขาดสติเนื่อเราจะมักจะปรุงให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสติปักเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นก่อนนะเราเห็นก่อนคิดก่อนคนส่วนใหญ่เวลาคิดขึ้นมาเห็นความคิดไหมไม่ก็เห็นนะมันคิดขึ้นมาก็รวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของความคิดแล้วก็ฟู ไ, ไปกับกรรมคคิดตั้ไหนขึ้นมาก็ฟูไปกับกรรมฟูไปกมบ ตัวเราปเป็นไปอยู่กับความคิดพอมาคิดตรงไหนก็รวมเป็ น, นอย่กัความคิดทีนี้ก็เสร็จมันหมดมันพานคิดตรงไหนก็าตามมันไปถ้าคิดดีก็ยินคิดไม่ดีก็ทุกข์บางคนบ้ามีรถมีเงินมีรถซับอำนาจมีทุกอย่างขาดอะไรคือความสุขเพราะไม่รู้จักปลงจิตรลงใจให้เป็มสุดแต่ถ้าเราอยู่กัปัจจุบันให้เปล่นคือเราเป็นคนที่มีสติแต่ละมันคิดขึ้นมาเราเห็นก่อนความคิดจะได้ไหนเป็นความคิดจนลบเร า, าตัดฉับเลย ตัดทิ้ตัดทิ้งทำยังไงเดินโดยกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือเราหายใจเนี่ยไปเดินอยู่กองเดินก็ได้คนหระเดไม่ก็รู้แค่รับเรื่องพวกนี้นะพอโกรดขึ้นมามีมาการกระตนให้โกรธโกรธเลยรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับความโกรธส่วนคนที่เจรอสติเนี่ยพอโกรธขึ้นมาปั๊บดูแล้วว่าจิตมันทำอย่างทีละขณะมันจะกอบทีละเรื่องนะ เดินออกจากห้องที่ถูกกระตุ้นให้ปวดมันก็หายเนี่ยมันเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากมากเราตามเมื่อลด <c oughs> ความเสี่ยงที่จะทุกได้อย่างมากมายมหาศาลถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขนาดน้ไปนอกจากเราจะเบือ ค, คิดแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวแล้วเนะี่ยคนที่อยู่กับปัจจุบันขนาดไม่เกินจะเป็นอีกโรคงคือโรคปล่อยไลย่ลงโตไม่เป็นเพราะปล่อไม่ลงโไปเป็นก็เย็นไม่ได้ มันรัดสองลูกที่ประเทศอินเดียยมนิมนต์ไปสวนมนฉชันเพที่บะาก็ออกเดินทางไปถึงทางแยกแห่งหนึ่งหลวงพ่อจ้าวเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยมากอยู่ในชุดจิโมโนเดินละล้าละลังไม่กล้าข้ามไปฝั่งน้เพราะว่าตัวชุดซึ่งยาวกรอมเท้าจะเปื้อนน้ำยืนละล้าละลังเพราะเมื่อคืนฝนตกน้ำจนองเต็มท้องตล หัวงพอเจ้าว่เห็นเธอแล้วล่ะๆล้ยู่อย่างนั้นท่านเดินจับจๆบจัจแล้วก็อุ้มหมักเขาให้เขาตกช็อคมาเอานี้ยนิ้ภักอุ้มช น, นะลูกสิที่เดินตามมาตกช็อพอพอกับผู้ดีคนนั้นเลยหลพ่อทำอะไรลงไปหลพ่ออุ้มเสร็จก็เอาเธอไปวางไว้อีกฝั่งเอาไปได้นละสีกาสิกาอะไไปไม่เป็นในชีวิตไม่เคยถูกประอุ้ม พระบทใหม่นี่เป็นูกเสร็จงงหนักกว่านั้นอีกเพราะหลวงห่อบอกว่าพะอยู่เป็ผู้หญิงแอ่เมื่อกี้เราเห็นเต็มสองตาโอ้โหตาลหลวงพ่อไปฉันไปไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นเจือไม่เป็นทนกเลยไม่ตอ้องรอแล่นหลวงว่าฉันมีความสุขมากส่วนผ้าใหม่ตักเข้าปากไปคิดถึงผู้หญิงในชุด ก, กีโมโนแต่ว่ากินอะไรก็ไปฉันผู้หิงในชุด ก, กีโมโนคิดถึงถึงได้กินสิ่งนั้นนะ ใช่ไหมเยอะมากจริงๆเคยได้ยินไหมเราเป็นอย่างที่เรากินนะเยอะมากจริงๆเราเป็นอย่างที่เราคิดฉะนั้นมื้อเพลินวันนั้นพระหลวงพ่อเนี่ยฉันยังมีความสุขท่านฉันอาหารท่านมีสติส่วนนางลูกสึงแต่สาวสวยคนนั้นทีู่หลวงพ่ออุ้มวันนั้นท่านฉันไม่รู้รสเลยเวลาเราไม่มีสติเรากินอะไรก็ตามเราเล่นรสชาติสักแต่ว่ากินไปเนแล้วเปิดทีวีจิิงไหมแล้วปิดดูมันทุกช่อง ดูไปเรื่อยๆภรรยาถามดูอะไรไม่ร no ู้สินั่นแหละเราไม่มีสติดูอยู่แต่ไม่เห็นเฝ้าอยู่แต่ไม่ได้กินกินอยู่แต่ไม่รู้เพราะเราไม่มีสติพอกลับจากบ้านที่ยอดหยงนิมนต์หลวงพเจ้าว่ามาถึงส่งน้ําจำมัดมีความสุขถ้าไม่ส่งน้ําจำวัดแต่หลับไม่หลงกลับมาเปิดเข้าไปดูดอ อ๋อุ้มผ mm. ู้หญิงปิดเต็มประตูเติงอ่านไม่ก็ะเทือนใจเก็บทั้งคืนนั่งเกิดจนถึงที่หนึ่งหลับไม่ลงอ่ะตัดสินใจเปิดประตูไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ก็ก็หลวงพ่ออวางเงียบถึงซึมม่อดหลับลึก่าอะไรลูกวงพ่อแบบลูกมีสิ่งหนึงคือขาอยู่แต่้งวันแล้วทำให้หลับไม่ลงเรื่องอะไรล่ะลูกถามหน่อยได้ไหม ลงพ่อคิดยัแต่อูหุ่นผู้หญิงคนนะอ๋อมากังวันใช่ไหมลูกครับผู้หญิงที่หลวงพ่ากุ้มากลางวันครับหลว่ออ๋ อ, นน อ, อ, อคนนั้นเองก็หลงพ่ออุ้มแล้วก็วางแล้วเนี่ยนิดตีหนึ่นเยยงเคยไม่วาง อ, อุ้มแล้ววางถือลอย รมแล้วปล่อยหรือแล้วปล่อยมีมันสุไหมส่วนแรกโลกเสียทําไมไม่มีความสุก็ปล่อยไม่ลงลงไม่เป็นใจเย็นเลยนะเพราะท่านเข้าไปมีชีวิตอยู่ในโลกของความเคิดเราเป็นอย่างนี้กันบ้าหรือเปล่าจะปฏิเสธก็ให้ได้เลยก็เจ้าใช่ไหมยืดหยุ่นใครกันแน้กันไหนหน่อยคนพูดก็ลืมไปหมดใช่ไหมเราเก็บไปคิด ปรงแต่งไม่จบไม่สิ้นมันรู้สึกับอาจาติคนหนึ่งโอ้มาอยู่เมืองนอกรวยมีเงินมีทองกลับบ้านไปถอนเงินมาล้านหนึ่งเอาใส่กระเป๋าไปหาเพื่อนอุ่นทางจังหวัดนั่นโทรศัพท์หาเพื่อนแกมาหาฉันหน่อยเพื่อนก็มานี่เออแกช่อยนนั่เงินหน่อยสิกระเป๋ามึงเงินมันฟันดาเ ให้เพื่อนสมัยช่วยปฐมช่วยนะแกนับไปแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อของเดี๋วมาทำใหมให้เพื่อนนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาอยู่บนนอกก็เพราะว่าถูกเพื่อนคนเนี้ดูถุน้ำหน้าอย่างแกชานี้แล้วไม่มีทางได้เป็นเแต่ผีแบบเพื่อนผู้หญิงก็ไปเล่นบอลเล่นบอลจะได้ฝังเข้าไปในใจเหมือนจะปูนี่ถูกต่อแก็ตึงเขาอย่างนั้นแค็งมากเลย พอเรียจบทุ๊บทุกวิธีทำที่จะไปอยู่เมืองนอกเพื่ออะไรอยากมีเงินเลยจะได้ชันะเพื่อนคนนี้จากนั้นพอมีเงินล้านก็กลับไปแล้วถอนเงินล้านหนึ่ให้เพื่อนนะแกรู้อยู่ละเงินมันมีล้านหนึ่งกลับไปออกไปยินเขากลับมาไปหาเงินแกต้องลงได้เท่าไหร่แกบอกได้ล้านหนึ่งเพื่อนเลยนี่เงินแกเลยเหรอใช่เงินชัดเออพุ่งนี้แกว่างไหมว่าง ทุกนี้จะไห่นับอีกก็เลยถามเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนเหยือทีล่ลอไว้นะอะไรเพื่อนนับทาไมเก็งเงินเยอะอย่างนี้แกเพราะแกคนเดียวทำไมฉันไปเกี่ยวอะไรกับแกจำได้ไหมทำไมได้เรยนต่อหกแกดูถูกว่าชาตินี้ฉันจะไม่รู ทั้งทั้งทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะคํารู้ถูกของแก่เนี่ยฉันถึงไปอยู่เมืองนอกแล้ตอนนี้ฉันรวยเพื่อนว่าไฉันฉันเคยพูดอย่างนั้นไหมคนคนหนึ่งเจ็บช้ำกำใจแตกตายเต็มทีพอาะอยากเอาชนะเพื่อนส่วนเพื่อนพูดเสร็จก็ลืมเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันเจอในคำหนึ่งนะฝังจิตฝังใจเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดใช่ไหม กลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแข็งเจ้าวางผ่นกาคิดดีก็ดีไปแต่่าคิดไม่ดีเนี่ยรู้ป่ะเหมือนตะปูตรึงใจบางคนไม่ได้ถูกคนอื่นตอกตะปูนะไปหาตะปูมาตอกให้ถึงเนี่ยคุณของการเกี่ยวกับปัจจุบันเราจะสามารถถอนตะปูที่ตรึงใจไว้มีคนล้ายคนเด็นไปด้วยความรู้ก็ถอนไม่เป็น <c oughs> มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตนเป็นอภิมหาเศรษฐีมีชีวิตที่ร่ารวยชีวิตที่มีสีสัเป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นพันล้านแต่ระหว่างที่ทำธุรกิจนั้นก็ได้หลงลืมการทำหน้าที่ของพันธญาติที่ดีไปปรากฏว่าช่องว่างระหว่างเธอกับสามีนั้นหายไปตั้งยี่สิบปีสามีก็ไปเป็นนักการเมืองเธอก็ไปเป็นนักธุรกิจเป็นรถเก่งูแม่นเป็นหญิงเก่ง แล้วก็ลล้งการชีวิตแบบนั้นอยู่ต่อมาสามีปดวดเธวมาเองและียชีวิตปัจจุบันท่านปวดมากทั้งตัวไหมคะได้มามีชีวิตจริงๆอยู่กับสามีไม่ถึงครบเดือนตลอดเวลาที่สามีปวดเธอกลับมาบ้านเช็ดเนื้อเช็ด ต, ตัวให้สามีวันหนึ่งเธอเช็ดเนื้อเช็ด ต, ตัวให้สามีแล้วก็ออกไปอานะกลับมาเห็นสามีหลับเยียบอยู่นน ข้าค้างขึ้นไปคนเดียวไปดู ใ, ใกล้ๆมันหลับเลยเอ่ะมึงจะโงกหน้าไปแล้เวเราก็เปลี่ยนมากชั่วหน้าไปดูสามีแล้วเราก็หลับหลับคาไหลาสามีไปเลยอ๋อเองหลับตื่นมาดีตีสามเห็นตัวเองว่าเียวงกอดสามีค้างอยู่ธอก็คิดขึ้นมาว่านี่มันกี่ปีแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้กอดเขาเลย ลอานับมือดูปรากฏว่ายี่สิบปีเธอนอนร้องไห้คนเดียวเลยเธอรู้สึกว่ามันมันแย่มากที่ไม่ได้ทําหน้าทีพ่พรนยามัวแต่ไปทําชู้เกิกเจ้ามีก็ไปเล่นการ์ดจนกระทั่งเครียรดจนป่วยเป็นโรคไตต่างคนต่างไม่ดูแลทังกันนะคะขณะนี้เธอรู้สึกป็ดเธอก็พยายามที่จะเอาออกเอาใจสารพัดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอไปนิมนต์พระมานั่นมานำนั่งสมาธิทั้งเธอและสามีพระนั่งมานํำนั่งสมาธิเสร็จแล้ว ถ้าก็ให้สองคนกอดกันแล้วพูดดีๆต่อกันพอพระ บ, บอกว่าเอ้าโยมอกอดกันนะใช้เวลาชั่วโมงทองคําด้วยกันเนาะชั่วโมงทองคำหมายความว่าเราได้ทําอะไรดีๆ ด, ด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องนานเป็นชั่วโมงแต่ทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันขอให้เราได้ทําสิ่งที่ดีต่อกันให้โมองกาฎนั้นมีค่า ด, ดังหนึ่งทองคําทั้งสองคนสองตาดายก็กอดกัน อายุเจ็ดสิบกว่ากันนะครกอดเสร็จแล้วพระก็บอกว่าเอาโยมพูดคำที่ทพเราะที่สุดต่อกันแล้วกันจริงาจจะไม่ได้พูดนะสามีพูดก่อนสามีก็บอกว่าอืมแม่จากนี้ไปเราไม่ทะเลาะกันแล้วนะอระเจ้าเทือนใจมากนี่เป็นประโยคที่ออกมาจากก้นบึ้งของสามีเลยนะ เธอกลับเข้าห้องคืนนั้นแล้มานั่งคิดว่าที่ผ่านมาที่เรา้เป็นตัวปวนอะไรของมันหรอวันนู้นขึ้นพระมานําสมาธิพอนั่งสมาธิแต่พระให้ก่อนกันรังคาเข้ามาเอา้าพูดคำที่เป็นมงคลต่อกันและกันนะโยมนะซาเบห์แม่ได้ไหมจากนี้ไปเราไม่ทะเลาะกันแล้วนะเธอเห็นเราของเตียงในคำพูดของสามีชัดเจเธอรู้เลยเล ว, ว่านั่นคือสาเหตุ ที่ทำให้ชีวิตสมงรถในด้านเพิ่มกลับไปห้องไปอ่านเจอบทกวีบทหนึ่งบทที่เธอรองมากเขียนโดยอาจารย์การกระไรเด่นนคบทนั้นว่าอันนี้จะฉันทำชีวิตหล่นหายไปครึ่งหนึ่งส่วนที่สูวนนั้นลึกซึ้งคือนำพึ่งบุญงาระดามา อันนี้จะทําชีวิตเราหายไปเพิ่งหนึง่งส่วนที่สูญ น, นั้นลึกซึ้งคือ น, น้ำพึ่งพล ง, งานละดามาจะไม่ลึกซึ้งได้ไหายไปตั้งยี่สิบปีไม่ได้ดูแลซื้ขัยและกันเกิดเป็นสามีภรรยาแต่ในน้ำแยกเตียดกันน่อยอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกเตียดกันหน่อยอยู่ด้ยวยกันแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันพอรู้สึกตัวไอเทงสามีจะไปแล้วในที่สุดสามีก็จากไปจริง พอเขาจากไปเราสะเทือนใจมา่าตัวเขาอยู่ในกฎกลางคืนเขาขึ้นเป็นน้ำเตียนสารีซึมซับเก็บรักกินอายความเป็นตัวเขาทดใช้ความรู้สึกให้กับตัวเองมีชีวิตหม่นหมองครองเศร้าเหมือนต้นไม้ที่เย็นรอที่จะโค่นลงในอนาคตอันกล้ เธอคิดว่าเธอเป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียววันหนึ่งเพื่อนของเธออายุรุ่นเดียวกันมางานศพเพื่อนเธอก็ปลอบว่าะะนี่เธอไม่ต้องกงังวลนะ<อ>เดี๋ยวเวลาจะช่วยได้<ม>พี่เจอมาขอที่นักกว่าเธอเธอคลานขึ้นไปนอนบนเตียงเขาพี่เอาชุดนอนเขามาใส่เลย เพื่อจะได้ลดถอนความรู้สึกเผิดที่ไม่ได้ดูแลซึ่งกันและกัน <c oughs> พอเขาจากไปแล้วถึงมาดิ่มันร่นฝนหวานทำมนุษย์สิ่งทุกอย่างอยากจะคืนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักแต่มันไม่ทันแล้วผู้หญิงมันนั้นก็ทุกต่อใหม่ร้ายจีไม่ว่าถ้าจะตัดใจตายทั้งทั้งที่ทุกอย่างในชีวิตพร้อมหมดแต่ลดทรัพย์อำ น, นาจที่มีราดามมีไม่สามารถให้ความสุขได้เลยก็ เ, เธอรู้สึกผิด คนที่รู้สึกเปลี่ยนนั้นไม่ได้รู้สึกเปลนในอนาคตแต่เขารู้สึกเปลนให้กับอดีตใช่ั้มรู้สึกเปลนให้กับอดีตแล้วคนที่จมจมอยู่ในอดีตแต่ไม่ได้ความรู้สึกเปลนอย่างนี้ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์มันหมองคลองเศร้าพระพุทธองจึงกล่าเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นโดยมากเมื่อเกิดมาก็ถูกลูกสอนในความทุกข์ปักคาอกอยู่แล้วคนละดอก เราก็ระวังมัให้ลูกศรดอกที่สองมาปักคาอกเราลูกศรดอกที่สองคืออะไรคือ<ม>การที่เราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราปล่อยไม่ลงงไม่เป็นก็ปรุงให้เดินทุกข์แงะอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราแต่ละคนเนะ่ะเกิดมามีลูกศรแห่งความทุกข์ดอกที่หนึ่งปักหมดเป็นเป็นสรารวัตถุเช่นทุกข์เพราะแก่ ทุกโปรเจกตอย่างเงี้ยทุกโปรตาร์อย่างเงี้ยมันเจอกันอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมนี่เป็นลูกศรดอกที่หนึ่งเป็นลูกธรรมดาส่วนลูกศรดอกที่สองนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจชีวิตเวลาเจอความทุกข์โศมของบ้านแล้วไม่สามารถที่จะถอนลูกศรในความทุกข์นั้นออกไปอันนี้เรียกว่าลูกศรดอบที่สองเกิดขึ้นจากความโง่ของเราเกิดขึ้นจากความข่าของเราเกิดขึ้นจากการไม่รู้ธรรมะของพวกเรา เชดียกันกับสุภาพสตรีท่านนี้ทุกข์มากแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีคนส่งส่งยาดีมาให้ทําให้เธอถอนลูกศรดอกที่สออกได้สําเร็จแล้วตัดสินใจเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกผู้หญิงทุกคนวันหนึ่งก็มีคนส่งหนังสือและหนังมาให้เธออ่านเจอประโยคหนึ่งแล้วจากการที่ทุกคนของไม่มาหลายปีแล้วจู่ๆสว่างโลเหมือนแหวนได้เห็นต่อว่า ทำมาที่มารับกันนรนหนังสือเรื่มนั้นมีคุณประโยมนหนึ่งบอกว่าจงเอาไปให้ตัวเองเถอะที่เราไม่สามารถที่จะมีคำตอบสำหรับทุกๆเรื่องเพราะเราอย่างคงเป็น ม, นนมนะเนาะเข้าจรึเไหมจงเอาไปให้ตัวเองเถอะ ที่เราไ่้สามารมีคําตอบให้กับทุกๆเรื่องที่เป็นเชนนั้นก็เพราะว่าเรายังคงเป็นมาซึ่งคติธรรมจงนี้ตรมาในภาษาบาลีวัตเสวะโทโสแปลว่ามันเป็นโัวของวัตต์การที่เราต้องเจอทุกจงของไม่เจอโน่นนี่นั่นที่ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างเี่ยก็เพราะว่าเพรามันเป็นเมตตาเกิดเนื้อเราถึงต้องเจอถ้าไม่มาเป็นเมตตาเกิด เ, เราก็ไม่เจอใช่ไหม ฉะนั้นถ้าเร า, าเกิดเป็นคนแล้วมันจะต้องเจอเอากําเนดตรวจกายมาไหว้โลกสุขุรุษโยคุีไม่พ้นอย่าสงสัยมันเจอทุกคนใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะเจอความสุขความทุกข์เป็นของคู่กันแต่คนที่มีธรรมะคนที่มีปัญญานะั้นเมื่อเจอสุขแล้วก็ไม่ประมาทเมื่อเจอทุกข์แล้วก็ไม่ท่าแต่ถ้าไม่มีธรรมะพอเจอความทุกข์ก็ท้อเจอสุขก็ หลงแล้วหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้พออา่านเจอธรรมะข้อนี้แล้วนะเธอหยุดรอ้องไห้แล้วปะน้ำตาทิ้งหลังจากที่ท้อใจมานานแสนนานวันนั้นเธอบอกว่ารู้สึก ด, ดีกับชีวิตเหลือเกินการที่ชีวิตมันไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างก็เพราะเราเป็นมนุษย์ไงเราเป็นปุถุชนมาถึงได้ผิดบ้างถูกบ้า ง, งเธอเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่รู้สึก ด, ดีมาก เหมือนตักสู้ส่วแห่งความทุกข์ออกไปจากฐานของเธอเลยประกาศอิสรภาพจากความทุกข์เธอบอกว่าเพราะว่าดิฉันหางแทะตัวใหม่ให้ตัวเองได้นี้วแทะที่จะไม่ต้องมานั่งรู้สึกอิจฉาเพราะว่าเธอโยนความรู้สึกเกิดปนามีที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดให้จากความเป็นมนุษย์ของเดิถ้าเรายังมีกิเลสไงเอาถึงเอาดีไม่ได้ทุกเรื่องใช่ไหม เคยได้ย <Yeah. S 1> ินไหมเวลาที like right. so ่เราทำอะไรผิดพลาดแล้วมีคนมาตอบเรา่าคิดมากเลยปุถุชนก้อนี้แหละรู้สึกดีขึ้นั้ยรู้สึกดีขึ้นั้มเออเวลาทำอะไรไม่ดีทำแย่ๆ่แล้วร้องโหยร้องไ้มีคนมาลูกหลังราลงทั้งเดือนแกคนเราก็อย่างนี้ลุกบ้างลุกบ้างไอเจ้าคนที่ไปลุกหลังเเวลาเจอเขากับตัวเองไม่ยอมปลง เห่นี้ี่เป็นการปลอบแบบชาวโลกอ่ะปลอบแบบชาวโลกเป็นการเดียวยาที่ไม่ชนะนี่ไม่ใช่การปราบตาลูกศรในความทุกข์มันเป็นเพียงการเก็บงําความทุกข์ไว้ใต้พรมการปลอบแบบนี้มันเป็นยากลอบคือเราบอกกันไปเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาของผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยถ้าจะให้แบบเใจกันค่ะ เ, เ, เราต้องวินิจฉัยลงไปเลย ว, วย่าเจ้เศร้าเพราะว่า ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะมีชีวิตอยู่ในอดีตใช่ไหมมีชีวิตอยู่ในวันวนมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกแในบรแต่ความรู้สึกทั้งหลายนะความรู้สึกที่ทําให้เราทุกโจรของไม้ามากที่สุดคือเจ้าความรู้สึกเจ้าความรู้สึกนี้ถ้ามันได้กลัดกินใจใครแล้วก็ถ้าถอดถอนไม่ได้นะดีไม่ดีเป็นบ้ามีคนจํานวนเมื่อที่ไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่ามีชีวิตด้วยความรู้สึก คนในรู้สึกเป็นอย่างนี้จะต่อถอนได้ยังไงถ้าต่อบแบบชาวบ้านก็คือปล อ, อกกันวันไปวันมาปล อ, อกไปมันต้องคิดมากหรอกแกชีวิตกับเป็นอย่างนี้มันต้องคิด้ากหรอกแกฉนันะเด็กว่า น, นี้อีกะ <c oughs> หรือแกมีที่กระจาวิธีมองโลกอในแง่ดีก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่การผ่าตัดความทุกข์นะเหมืนที่โรงงานแห่งหนึ่งมีคนทํา ง, งานนับพันคนทา ง, งานเป็นสายพานการผลิต ยืนทางานกันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันไม่ดีวันหยุดพอจะหยุดปุ๊บเจ้านายก็บอกมีมีโอทีใช่หหยุดไม่ได้เงินทั้งนักหนะเคลียรกันทั้งโรงงานแต่พอจะหยุดปุ๊บมีโอทีมาแล้วมันหยุดไม่ได้เงินทั้งกแต่เพืนเนสงเกเห็นว่าในขณะที่แต่่าคนเคลียรกันหมดผู้หญิงคนหนึ่งไม่ไม่เคลียเลยพอเคลียรมาทุกเดก็หยิบกระเป๋าสการ์เอารูกสามีมานึ่โดนเสร็จเลยยิ้ เพื่อนๆเลยบอกฉันนั่นมันโชคดีมันได้สามีดีเห็นมารูปมาดูแล้วมันยิ้ทุกครั้งวันหนึ่งเพื่อนก็เลยแอบไปดูว่าสามีของน้องคนนั้นมันคงจะรอเหลาเอาการมากเพื่อนก็เลยมาดูแล้วยิ้มเพื่อนก็เลยเฮลโลไปขอดูนี่ตัวขอดูลูกสามีเองหน่อยสิทําไงทำให้แกยิ้มได้ทุกครั้งเลยที่เครียดล้วก็หยิบไมให้ดูทุกคนชอบ หน้าตาบุบบิ๊กบูบี้อย่างแฟรนชทนสไตล์เพื่อนก็ไถามว่านี่หน้าสดเขาหรอไม่อับปาดอย่างนี้แล้วเก็ยิ้มได้อย่างนี้พวกเราคิดว่าแกมีแต่มีหน้าตาดีมากถึงยิ้มออกทุกครั้งที่เคลื่อนขึ้นมาเธอก็อธิบายว่าที่เรียนนี้ก็เพราะว่า เดี๋ยนบอกเลยว่าคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้เลยสู้ชีวิตมาได้จนลูกวันมันจะลาบากแค่ไหนฉันก็สู้ได้เลวร้ายที่สุดมันอยู่กับฉันนี่ก็เป็นวิธีปลอบใจอีกวิธีหนึ่งการมาวุ่นเป็นหวงแต่มันไม่ใช่การมาตัดความทุกข์มันเป็นแค่การพอกยาปลอบความทุกข์ บอบลูกศรให้มันทิ่มอยู่ขา อ, อกเราเนี่ยแล้วก็วตัดมันทิ้งแต่หมอลูกศรยังฝังอยู่รู้ดงบอกว่าการแ ก, ทกร้ทุกข์นือชาวแค่กล่องแค่กรบไม่ได้มันต้องผ่าตัดรู้ดงจึงจับถึงตัวท่านเองว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นศัลยแพทย์ผู้ผาตัดลูกศรคือความทุกข์ของบนและนอกในกรณีของผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เล่ามานะั้นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ ม, มากในผู้เขียนต้อเป็นคนที่เลือดเยี่ยมมากคนหนึ่งของประเทศไทย ที่เอาประสบการณ์ที่มีประโยชน์เหลือเกินมาเล่าให้พวกเราฟังอาการเช่นนั้นหน้ามาถามพระพุทธรุ่งทรงจะบอกอ้อที่นะคือปวยได้โรคปล่อยไม่ลงลงไม่เป็นและเห็นไม่ได้เธอจึงหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดที่เรงสร้างขึ้นมาเป็นโลกสมาีถโลกหนึ่งเป็นถ้ำทองแหความทุกข์ที่เธอสร้างขึ้นมาแล้วหมกตัวอยู่ในนั้นนะอาการอย่างนี้จะรักษาเดียวยาได้ ก็ด้วยการเจริญสติพอเมื่เราเจริญสติมาตื่นรู้กับปัจจุบันขณะเรามาเจริญสติมาตื่นรูู้่กับปัจจุบันขณะเราไม่ปรุงพอไม่ปรุงก็ไม่เป็นเราจึง ม, มีชีวิตนี้สดชื่นเรื่อยๆอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ตอนที่เราอยู่ที่นี่เรารู้สึกดีเรารู้สึ ก, รรสกมีความสุขใช่ไมแต่เี๋ยวพอเราลุกออกไปเอาล้วคิดนอนคิดน เหมือนเอาเอาเมือแหวกน้ำลงไปแหวกจอกแหวกแหน่ตอนตอนที่เราแหวกมัก็ว่างนะยกขึ้นมันก็ปุ๊บเนยเนี่ยชี้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพุทธองค์จึงบอกว่าอย่าไปอยู่ในความคิดสิอยู่กับปัจจุบนันตัวปัจจุบันนี้ก็คือตัวสติทํายังไงเราจะมีสติละ่ะคําตอบก็คือว่าเราต้องมันระึกรู้ระลรู้ลงไปที่ไหนที่การเวทนาจิตธรรมการก็คือที่ราา่างกาย แล้วก็ลงหายใจเวทนาก็คือความรู้สึกมันรู้สึกสุขหรือทุกข์ชอบรู้ชาแล้วก็ถนัดรู้แต่คนส่วนใหญ่มันรู้สึกขึ้นมาไม่ทันนะทันไหมเวลามันรู้สึกชอบขึ้นมาตามทันไหมว่ามันเริ่มชอบแล้วเราไปนั่งดูโอ้โหมันไม่ทันแล้วนะกระโดดไม่ทันนะเออโฆษณาดีๆเนี่โทรไปสั่งเลย ดูทีวีอยู่นะไม่ไม่รู้เลื่อะโฆสนาเดี๋ยวนี้ต้องเก็บมาดูโทรทัศน์ดูละครพฆษณายาวกว่าเนื้อละครกำหนดทานไหมมันชอบชอบขึ้นมาเราก็ไม่ทันซะแล้วะหรือมันไม่ชอบขึ้นมาเราก็กระโดดไม่ทานซะแล้วพระองคจึงบอกว่ากระโดดให้ทานนั้นหนึ่งกำลังลงไปที่กายคือร่างกายเวลามันเคลื่อนไหวให้รู้หรือลมหายใจเวลาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ สองกคือเวทนาความรู้สึกชอบชังนะรู้เฉยเฉยสุขหรือทุกข์ก็ให้รู้เท่ารู้ทันเพรเรารู้เท่ารู้ทันมันดูดเราไม่ได้นะมันจะดูดเราไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะถูกมันดูดเสมอจากนั้นก็คิดมันคิดขึ้นมาก็ให้รู้ความคิดซึ่งก็เป็นปัญหาคนส่วนใหญ่มันคิดขึ้นมาไม่ยังแต่ไม่รู้เราคิดตามมันคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องวันละหนึ่งร้อเรื่องพันเรื่องก็คิดตามมันไป จากนั้นก็ทะนะก็คือสภาว ะ, ะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตในจิตในใจของเราสี่อารมณ์นี้กลายเป็นท่านาจิตธรรม <c oughs> เป็นอารมณ์ของการเจริญสุดเดแต่ถ้ามันยากไปนะปรับลงมาเป็นง่ายๆตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็พอละทำอะไรอยู่ให้อยู่ตรงนั้นเช่นเราทานข้ามอยู่แล้วลก็รู้ว่าเรากำลังทานข้ามอยู่ดื่มน้าอยู่ก็รู้ว่ากาลัาลงดื่มน้ำอยู่ เดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่คุยโทรศัพท์อยู่ก็รู้ว่าคุยอยู่ฟังแค่ก็รู้ว่าฟังแค่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่คือการอยู่กับปัจจุบันถ้าทําได้อย่างนี้ชีไม่ จ, จะดีวันดีคืนนะภายในสามวัน น, นิยมจะดีวันดีคืนนะั่นแหละถ้าตัวอยู่ไหนแล้วใจอยู่นั่นพูดอีกอย่างหนึ่งพูดให้เป็นสวดว่าทุกเรื่องที่คิดทุกเกจที่ทำทุกคำที่พูดทุกคร <G l ug in> ั้งที่เคลื Dinge, ่อนไหวให้เท่าเท่า ถ้าเราพยายามรู้เท่าทานาันโดยตามบังคับเชื่อไหมว่าเพราะเรารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาความคิดมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าจิตมันทางานทีละเรื่องแล้วมันก่อทีละเรื่องแล้วถ้าขณะใดจิตมีความโลรธอยู่ตัวเมตตาก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดจิตมีความสุขอยู่ความทุกข์ก็ไม่อยู่ตรงนั้นขณะใดจิตที่มีความเพียรอยู่ความผ่อนคลายก็ไม่อยู่ตรงนั้นจิตมันจะก่อทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง นันท่านจึงบอกว่าอาหารที่ก่อให้จิตซะอย่าให้จิตตกงานลมหายใจง่ายที่สุดกลัมาตามรู้ตามรู้ลมหายใจถ้าเราเ ร, าเริ่มรู้อยู่กับลมหายใจเยอะๆในหนึ่งวันทําแล้วแหละครับทำบ่อยๆเราจะสดชื่นนด้ย่ยเคยเห็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าทั้งหลายไหยอายุมากๆแต่ผิวพรรณท่านเนี่ยหองนะเพราะว่าจิตท่านเบาสบายจิตท่านเป็ที่เกาะ จิตท่านมีที่ยึดคนส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกจิตจิตไม่มีที่ยึดเห็นอะไรก็เออเคยมีอือโยมคนหนึล่าให้ฟอือเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราไปปฏิบัติธรรมน่นี่อยู่วันหนึ่งยยมไปภาวนาที่วัดป่าโอ้จิตสบายโยมรู้สึกดีกับชีวิตจึงออกมาเดินข้างนอกห้องเดินเดินอยู่มองขึ้นไปโอ้พระจันทร์สวย ทำไมมันสวยอย่างนี้สักพักหนึ่งพระอาจารย์ท่านเดินมาข้างหลังโยมจิตอยู่ไหน <laughs> อยู่บนพระจันร์มันเกี้อยู่ขื่อได้ไนะหมหลวพ่ อ, อโยมภาณนาไปหาพระอาจารย์เือเอาจิตลงมานะ <laughs> <laughs> เห็นไหมมันเร็วขนาดนี้นเนะเชื่อไหมเพราะฉะนั้นถัาเราตามตัวตามรูร้ทางจิตเรานะตอนสุดใหม่ๆี น, นโยกจจ น, น, น, น, นี้์เราให้ขำไงเยอะนักนะ คั่งไปหมดอะสมัยตะมาสุดใหม่ๆตะมาไปทุดงในป่าเดินเนี่ยวันหนึ่งเดินจงกลมอยู่ดีๆสักทักหนึ่งกิ้งกามันวิ่งตัดหน้าเราก็มองกิ้งการู้สึกตัวดีๆหนึ่งวิ่งตามกิ้งกาไปโน่นจิตมันมันไปเกาะตรงไหนมันไปตรงนั้นจี่สินะเชื่อไหมเดินอยู่เดีรเนี่ยนะลมพัดมาหูมองยอดไม้ไผ่เหมือนทาได้ฉานหนอกมา นไปอยูที่มอดต้นหน่อยม้โน่นระงแตงสำหรับักเอาเหิดจะล่อแต่ละมาสองอาทิตย์เต็มมาแล้วกว่าจะกลั่นความคิดให้มันลดลงได้คิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเราไม่ไปอยู่ในป่าเราไม่รู้ใ น, ในชีวิตเน่ยธรรมะมักอารมณ์ยทั้งหมดเไปอยู่ในป่าหนึ่งเดือนห้ามแย่งห้ามประกัน ห๋อเจ็บมันดิดหนหาาด้นโดะอารมณ์เก่าเขาอยากจะอาหนังสือพิมพ์นะมันอยากมันอยากอา่านหนังสือพิมพมากวันหนึมียคหนึ่งมาถวายดอกม้เอาหนังสือิมพรัฐนะอ๋อพันดอบไ ม, ม้เราเดินจุกดกลมอยู่ไกลๆจ็บไหมเจ็ไม่หนังสือพิมพ์ชัว่วเห็นแล้วนะ เห็นแล้วว่าเขาเอาหงือพิมพ์พันกไม้มาแล้วเขก็มันจัดจัดจัดจัดกันแล้วก็เอาไปทิ้งพอโยมขึ้นรถแล้วก็แผลเข้าไปหยิบหนังสือพิมวันนั้นมานั่งอ่านในกรดอ่ะเห็นไหมเจิยเราเคยเสกคุณกับอะไรถ้าหลุดจากสติคือหลุดจากปัจจุบันมันะดึงกลับทันทีเนี่ยอะไรทุกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนเคยบอกเลยว่าคนที่คิดคิดไปจากขั้นตัวตายมาถึงเขาก็จะทําจริงจ เพราะอะไรเพราะจิตมันต่อร่องอารมณ์มันคิดอย่างไรมันสัมพันธ์กับอะไรนะมันมันมันหนวกไปทางนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะระวังจะเสกปัญหาเนี่ยดามาถึงเจอมันกับตัวแล้วว่าหนังสือพพ์หนึ่งฉบับไม่ถึงฉบับแค่ห่อหอดอกไม้มาดึงเราไปหนึ่งวันเต็มเพราะอันจบปั๊บวันนั้นนั้งวันนั่งสมาธิต่อจิตไม่ไปไหนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วรบอยู่กับข่าวตรงนั้น อ่านเสร็จมันไม่เสร็จนะมันไปย้ำคิดย้ำทำต่อเห็นเราะฉะน้นคนสัญญ่ก็เป็นอย่างนี้แต่มันก็ไปเป็นอย่างนี้คือตัวอยู่นี่แต่จิตไม่ได้อยู่นี่ตัวอยู่ไหนแต่ใจไม่ได้อยู่นั้นหลุดก็ไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วถูกความคิดถูกความคิดกระทำเอาครั้งแล้วครวในการพิธีการมีหน้ารูปหนึ่งท่านเบินเดินเป็นท่าบาทลงจากยอดเขาพิชกุฎและเนื่องจาก ถ้่ท่านจึงเห็นแปลกตัวหนึ่งถูกทรมานด้วยการถูกค้อนตีหัวไม่รู้ท่านไปทำไปทํากรรมอะไรนะถูกค้อนแหลกตกีหัวปังปังปังปังปังปตลอดเวลาอาจจะหมายวามว่านั่นก็เ็นเรองสมบูรณเรื่องจริงๆคือพวกเราเนี่ยแหละที่คิดไม่หยุดเนี่ยแหละใช่ไหมคนที่คิดไม่หยุดนั่นคือคนที่หาค้อนปนตีหัวเลย มึงมังมังมั่งมัง่คิดเรื่องโดนถาไปเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็บ่นปวดหัวใครทำได้กว่าไปหาหะอมาเจียหัวตัวเองเลยนี่แหละใช่ไหมเยอะแยะมาเลยออกมาว่าพราะอะไรอยู่ที่บ้านปวดหัวมาอยู่ที่บ้า น, ห, าานหลวงพ่อขอยืมตั้ง ปวดหนักมากเแต่ที่นนี้ไม่มีทินนี้ว่าจ่ายกว่าละ <g ill ain> เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ถูกขอนตีหัวขอในความคิดนั้นตีเราอยู่ทุกขณะเจ็ถ้าเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเรารู้สึกตัวนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั้นเราไม่หลุดเข้าไปในโลกของความเห็นเราสามาเดินรู้จักปัจจุบันได้ ทุกเรื่อที่คิดทุกตที่ทำทุกคำที่พูดทุกปีเรียนบททีลเรื่อเรารู้สึกตัวนี่เป็นเคล็ดลับทาให้สุขภาพจิตดี